้าดบรารมีบ้างต้นแล้วท่านจะไม่พบบรารมีชั้นกลางบรารมีชั้นกลางเนี่ยหมายความว่าเข้าถึงกุศลแล้วท่านจะทำอะไรก็อดทนอดกลรนอดออมปฏิปนอมยอมความท่านจะทำอะไรไปแล้วกว็หนักก็เอาเบาก็ต้องสู้ความรู้จะเกิดขึ้นความรู้ตัวนี้คือความรู้ในปัญญา หลอบลู้ในเหตุผลข้อเท็จจริงในตนเองจะรู้ว่าตนเองทำอะไรอยู่นะบัดนี้ได้กำไรหรือขาดทุนมันจะรู้ว่าบารมีชั้นกลางไม่ใช่บารมีชั้นตนเราจะรู้ว่าวันนี้เราขาดทุนอย่างน่าทิาย ไ, ไม่ได้ทำอะไรเป็นประโยชน์แก่ตนเลยเราจะรู้ขาดทุนอย่างด้อยยับมันจะแจ้งแกจิตของเราได้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 นี่แหละบารมีข้อนี้จากการปฏิบัติธรรมเป็นสายกลางบารมีแช่งกลางเนี่ยจะอธิษฐานขึ้นอธิษฐานให้ลูกดีมีปัญญาก็จะได้ผลออกมาอย่างนี้บางคนก็กล่าวให้ตัมมาฟังว่าไปแผลให้ลูกลูกก็ไม่เอาลูกก็ยังเป็นคนชั่วไม่เกียรเรียนหนังสือไม่อยากเรียน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 จะไปทำถวายฉงองทานอีกกี่ร้อยวัดท่านก็ไม่ได้พ้นก็เหตุใดท่านยังมีที่ถิมานะเพราะศิลาจารวัตไม่มีขาดสติในการทําทานขาดสมัญญะความรู้ตัวในทาทานกิจการก็ไม่เจริญรุ่งเรืองอันนี้จุดนี้ไม่มีใครพิจารณาแต่ประการใดถ้าท่านเจริญกรรมฐ า, านก็หมายความมีสติอยู่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 แล้วเอาตัวไม่รอดอธิษฐานอะไรจะขึ้นหลับสาธิต ท, ท่านมีอกุดชลกรรมท่านจะอธิษฐานในเรื่องต่ํากรรมมันจะซักท่านในวันหนึ่งข้างหน้าดวงได้อธิษฐานขาวเป็นดําไม่มีกิจกรรมที่มีประโยชน์เลยอธิษฐานให้สําเร็จแต่ท่านมีอกุดชลกรรมงานท่านจะไม่สาเร็จจะขาดทุนอย่างย่อยยับ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 โดยสมเด็ดาจชารยานเฉียมบ้านอยู่ยุธยาจะมารูจาา้จักกับทานดีท่านก็บอกเอาครวดน้ำนะจะให้พรท่าทีนาอุปทานให้แกดวงวิญญาณเดี๋ยวนี้ถวายสังฆทานระยะฐานจับพีเสร็จอยู่เมาในเวลาสมควรของสามีภรรยาก็พักร้อดจะเดินทางไปเชียงใหม่รถตู้ทั้งครอบครัวสามีภรรยา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 ตามาก็บอกเออมงดำช่วยนะที่ท่านถวายชังอาถรรอ้เจ้าประคุณต้นเดชพุทธาจารย์ช่างเอียมวัตถุธาตเทพวรารามอเดดมรณะาพาไปหลายปีนะตามารู้จักกับท่านดีแต่เคยมาที่วัดนี้ตอนยังมาเดดเป็นเจ้าประคุณต้นเดชพุทธาจารย์แต่ประการดใดตามาก็เล่าให้ท่านฟังนั่นทานทานนามัยไม่กัน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 าเขาไม่ชิดซ้ายจอดริมถนนเขาก็ต้องตายทั้งทันคือรถตู้นี่แหละท่านผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายเราปฏิบัติทำได้แล้วแผ่เมตตาที่สงโสดให้เประชนผู้ร่วงรับไปแล้วสู่ทั้งปริยภพใหญ่ผลอย่างแน่นอนจะเป็นปู่ย่าตารือยายตกนรกหรือจะเป็นกรลยานามตรเพื่อนรวมชาติที่ตายจากกันไปอาจจะไปอยู่เป็นเปรษ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 สะสมไว้มากมายหลายประการนั่นแหละบารมีชั้นสูงทานได้ถึงบารมีจังสูงแล้วสบายมากจะทําอะไรก็ได้ผลจะช่วยคนช่วยเหลือใครก็ได้ผลจะแพผ่โฉนกุศลถึงใครก็ได้ถึงตอนนั้นนี่บารมีมีสามชั้นชั้นต้นคือตัวเราต้องอดทนต้องแต ก, กล้าต้องพยายามอย่างยิ่งเนตัวเอง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 อร่อยกระทั่งพระองค์ท่านหมาบอพิษราชทุมผ่านเจ้าก่อนนับว่าประโยชน์ใหญ่มหาศาลในโลกไิ่ใหครองลาถล่มบัิทบพาดีประพันธาเราก็ถวายพระพรชัยมงคลทุกวันไม่ขาดนอกเหนือจากนั้นวันที่เก้าถวายราชกูศลอย่างสูงจเจริญพระธรรมจากกระโปรงสูตร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 I t u a n t t h s u ta uh -huh.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 ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ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 อาลังสมาสัมปุทโภควาพุทธังพคะวันดางอภิวาเทสวาคาโตพระวะตาธโมทัมังนิมัสสุปฏิปันโนพระวสโตสาวกสังปูสัมพันามา สัมโมตัตตาโตตตาโอมนมสะอมนอะมะนมสตัสุปฏิปโนภควโตชาวกสโฆสุปฏิปโน